อ่านข่าวหนึ่งนะซึ่งน่าประทับใจแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจก็ได้มีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่ง mm hmm. เห็นรูปนะเป็นรูปหมาคงจะเป็นหมาจรจัดที่เขาจับมาแล้วก็เตรียมที่จะเอาไปขายก็อยู่ในกรงที่จะเอาไปขายนี่ก็คงจะเอาไปาทำเป็นเนื้อสัตว์นะ เพราะว่ามันก็มีบางท้องถิ่นที่เขากินเนื้อหมาเนะี่ยอย่างแถวนี้เนี่ยก็ยังบงีก็มีคนมามาขอซื้อนะขอซื้อหมาแลกกับคนะุไม่ได้ให้เงินสดแต่ให้คุนะแล้วก็ได้หมามาก็ใส่กลงขนไปแถวสกลนครั้งหนองคายก็ ม, มีช่างภาพคนแกก็ถ่ายภาพหมา เหล่านี้ไว้แล้วมันก็ไปตีพิมพ์ในเว็บไซต์หรือว่าหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นเว็บไซต์แกเห็นแววตาแววตาของหมาตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกมันสงสารนะนะแกก็เลยรีบติดต่อช่างภาพว่าถ่ายที่ไหนแล้วก็ยังไงไม่รู้แกก็คงจะไปดำเนินการนะให้ทางตำรวจไทยเนี่ยนะไปสกัดปรากฏว่าสามารถที่จะสกัดได้นะหมาแทนที่จะ ถูกค่านี่ก็กลายเป็นว่าถูกช่วยชีวิตไม่ได้พอแกได้ข่าวว่าหมาตัวนั้นน่ะนะ่ะถูกจับได้แล้วแกก็รีบบินมาเลยมาเมืองไทยมาถึงนี่ก็ก็หาหมานะ่ะตัวนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ที่เขากู้ภัยหมากลุมม่มนี้ก็บอกว่าคุณจะหาเจอเลยนะเพราะหมาที่เราช่วยไว้ได้เนี่ยตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เมีตั้งสามพันตัว จะไปหาเจอได้ยังไงนะสามพันตัวนี่หมาจอนจัดแ ก, แกก็หาจนเจอนะเป็นหมาสีขาวพร้อมเลยบักโกรงเลยแล้วแกก็าพาหมานี่นะกลับนะไปประเทศของแกไปกนละเที่ยวนะแกไปก่อนแล้วก็หมาก็ตามไปทีหลังแกบอพวตอนที่หมานี่มาถึงนี่ตื่นเต้นมากนะแกก็ ใช้เวลาอยู่นานนะในการเลี้ยงหมาจอนจัดจากเมืองไทยเนี่ยให้มันคุ้นเคยกับชีวิตนะในบ้านของฝรั่งก็ใช้เวลาแล้วก็เพราะว่ามันมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือเธอมีลูกนะซึ่งเกิดมาก็เป็น autistic, นะออทิสติกนะออทิสติกนี่ก็เป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องสมองนะเดี๋ยวนี้เด็กฝรั่งเด็กไทยเป็นกันเยอะโดยเพราะอ่ เด็กที่มีพ่อแม่นะเป็นคนมีการศึกษามีฐานะส่วนหน่เป็นเพราะว่ามีลูกช้านะหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่เด็กคนนี้ก็เลยถ้าพ่อพ่าในแง่นี้นก็มันก็เด็กเออๆอะนะพูดไม่ค่อยได้เวลาแต่แสดงความรู้สึกได้แสดงความรู้สึกด้วยการร้องนะดีใจเสียใจก็แล้วแต่เจ็บปวดไม่พอใจก็แสดงออกด้วยการร้องนะ อันนี้คือเด็กเล็กนะสองสามขวบแล้วก็ไม่ค่อยสบตากับใครถ้าพูดภาษาบ้านเราคือเป็นเด็กที่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าครั้งที่เด็กคนนี้ร้องนะแสงอาการไม่มีความสุขหรือว่ามีความทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกรธไม่พอใจกลัวเจ็บปวดโมโหให้หมาตัวนี้ซึ่งเจ้าของตั้งชื่อมิราเคิลมิรแปลว่าปาฏิหารมันก็จะวิ่งมาเลยนะ วิ่งมาแล้วก็คล้ายๆมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็กระดิกหางบ้านเขามีหมาหลายตัวนะที่เขาเก็บมาหรือช่วยชีวิตนะแต่ว่าก็มีตัวเนี่ยมิเเนี่ยที่มันไม่เหมือนหมาอื่นแล้วก็มันจะมันจะไวนะกับความรู้สึกของลูกชายนะสองสาขวบนะแล้วก็เวลามันมาเนี่ยนะมันจะแสดงความเป็นมิตรแล้วเด็กก็รู้ได้นะ เด็กก็จะจ้องหมาต้องตาหมาตัวนี้ตัวเดียวนะปกติเด็กเนี่ยไม่จ้องตาแม้กระทั่งพ่อแม่หรือหมาตัวไหนแต่จ้องตาแล้วก็รู้สึกสบายใจเวลามีหมาตัวนี้อยู่ ใ, ใกล้ๆแล้วก็มันก็สื่อสารกันได้แล้วก็พบ ว, ว่าเด็กคนนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น <c oughs> ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของพฤติกรรมซึ่งสาเหตุใหญ่ก็เกิดจากการที่มี ก็เรียกว่าสายสัมพันธ์น่ยกับหมาตัวนี้หมาตัวนี้มันมันรู้ใจมันรู้อารมณ์นะของอเจ้านายน้อยนะมันก็จะมาเป็นเพื่อนมันก็จะมาเล่นมาคุยนะตามภาษาของมันเขาบอกหมาตัวอื่นเนี่ยนะมันจะมีลักษณะสองอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือประเภทกระตือรือร้นมากเช่นเห็นเจ้านายก็กระโดดเลยนะกระโดดมาเล่นมาเลียซึ่งทำให้เด็กตกใจ อีกประเภทหนึงคือว่าไม่ีนางขังขอบอะไรเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยไม่เหมือนไข่นะมันไม่มีทั้งสองอย่างมันมาแบบสุภาพนุ่มนวลแล้วก็มากะดิกหางมาอยู่ใกล้ๆไม่ไม่ได้มาสัมผัส ต, ตัวคนที่เป็นออทิสติกนี่จะไม่ชอบการสัมผัสนะแล้วไม่ชอบเสียงดังแล้วก็หมาตัวนี้มันก็มีพฤติกรรมตรงสเปคนะกับเด็กคนนี้นะไม่เหมือนหมาตัวอื่น ก็เลยเป็นหมาที่ช่วยทําให้เด็กมีพัฒนาการแล้วก็เริ่มจะพูดได้นะเริ่มจะมีความสุขนะเขาก็บอกเป็นเรื่องปฏิหารนะทีแรกเขาช่วยหมานะแต่ตอนหลังเนี่ยหมาเนี่ ย, ยกลับมาช่วยลูกของเขาแล้วช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วนะคนเป็นแม่ก็มีความสุขนะที่ลูกเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ห, หมาตัวนี้ก็ปรากฏว่ามันเชื่องนะแล้วก็มีความสุขภาพ แล้วก็แสรู่หลายอย่างจนทั้งได้รางวัลนะไม่รู้เขาประกวดกันยังไงนะได้รางวัลฝรั่งนี่เขาให้ความสาคัญกับเรื่องของอคุณภาพแล้วก็ความสามารถของหมามากมีการนะมีการประกวดมีการให้รางวัลนะไม่ใช่หมาที่วิ่งเร็วอย่างเดียวนะแต่หมาที่มีลักษณะอื่นเขาก็สามารถที่จ ะ, ะจัดประกวดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เรียกว่าประหลาดเพราะว่าการที่หมาตัวนี้จะรอดชีวิตได้ก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะนะถูกจับแนละ้วก็อยู่ในกรงนะเตรียมส่งนะลานประหาแล้วนะแต่ก็กลับมีคนนะจากอีกเรียกว่าอีกทวีปหนึ่งนะมาช่วยได้ซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามมากนะมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีเวลามีความภาคเปลี่ยนพยายาม อุตส่าห์เดินทางนะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาหมามากรุงเทพนี่ก็จากกรุงเทพนี่มาต่างจังหวัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องมานะมาค้นหาหมาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสามพันตัวเนี่ยแต่นี่มันก็เป็นการเชื่อนว่าการที่เราทําอะไรเพื่อช่วยใครเนี่ยนะมันก็ไม่สูญเปล่านะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราช่วยใครเนี่ยมันก็กลับมาช่วยตัวเราเองหรือช่วยคนที่เรารัก อันนี้คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่านะเป็นเรื่องของชาวลังกาคนหนึ่งแกก็อาศัยอยู่แถวเมืองกอเมืองกอนี่ก็เป็นเมืองที่เรียกว่าใต้สุดของลังกานะแล้วก็ติดกับมหาสมุทรอินเดียนะเป็นเมืองโบราณนะที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเพราะว่าฝรั่งโปรตุเกสนี่ก็มาตั้งนะเมืองท่านี่มาสร้างเมืองท่าที่เมืองกอลเนี่ยแล้วก็ตลังก็เริ่มแผนการยึดครอง ต่อหลังก็มีอังกฤษเข้ามานะที่ครองสําเร็จแต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของอชาวลังกาวนี่แกที่แกชอบนะเลี้ยงปลาน ะ, ะถ้าใกล้ๆริมทะเลมันจะมีหาดก็เลยหาที่อยู่ในฝั่งนะัเรียกว่าลาบกูนก็จะมีก็จะมีปลาเนี่ยมาอยู่กันนะแกก็เอาอาหารมาให้ทุกวันทุกวันวันหนึ่งปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ปลานะที่มานะจระเข้ก็มาด้วย มันเป็นน้ำจืดนะมันเป็นรับเะรลสาบน้ำจืดจระเข้เขมาคนก็บอกว่าอย่าไปให้มันไอ้ น, นี่มันอันตรายน่ากลัวแต่แกก็ให้นะทุกเชา้านี่เวลาแกไม่ให้อาหารปลาจระเข้ก็มารอด้วยแล้ววันหนึ่งนะยี่สิบหกธันวาสี่เจ็ดวันนี้พวกเรานี่คงจำได้นะเกิดซึนามีขึ้นมานะภาคใต้ภูเก็ตพังงายนนดนชนวิีพังยับเยินกองนี่ก็เหมือนกันนะรวมทั้ง หลายจังหวัดนะที่อยู่ในเมืองอยู่ริมทะเลแล้ก็โดนซัดของเราเนี่ยเสียตายไปห้าพันคนของเขาเนี่ยตายไป 50, ห้าหมืนไอตอนที่เขาเนี่ยนะกำลังจะให้อาหารเนี่ยปบอกว่าเครื่องเซิร์นนี้ก็ซัดเข้ามาซัดเข้าฝั่งซื้อแรงมันไหลสูงหลายเมตรเสร็จแล้วก็เครื่อก็จะซัดลากออกไปทะเลเขาก็เนี่ยถูกล่าออไปทะเลกว้างมหาสมุทรนะมันไม่ใช่ทะเลธรรมดาอ่าวไทยมหาสมุทรตกใจมาก ตอที่จมอยู่ในน้ํานี่ก็คว้าทุกอย่างที่คว้าได้ไปคว้าแผ่นไม้ไม้ก็หลุดมือสักพักนี่แกคว้าได้ท่อนไม้แนละ้แกก็รีบกอดเอาไว้นั่นเลยแล้วท่อนไม้นี่ก็ค่อยลอยขึ้นมานะสู่เหนือน้ําก็ทําให้หายใจได้แต่คลื่นมันก็แรงมากแต่แกก็แปลกใจว่าไอ้ท่อนไม้นี่เนี่ยนะามันมันเคลื่อนไป ในทางที่สวนกับกระแสน้ํากระแสน้ำนี่มันพัดลงทะเลนะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้คอร์นเนี่ยนะมันเคลื่อนเข้าหาฝั่งแล้วแกก็พบว่ามันไม่ใช่คอนไม้แนละ้วมันคือจระเเขยนะมันคือจระเเขยแล้วคนเป็นจาระเเขยตัวเดียกับที่แกเคยให้อาหารทุกวันทุกวันแลจระเขยนี่ก็ดีนะแทนที่มันจะดำน้ำนะถ้าดำน้ําแกก็เสร็จนะ พอหายใจไม่ออกนะมันก็ลอยขึ้นฝัแล้วก็พยายามว่าเบี่ยหนึ่งฝั่งเป็นอนว่าลอดตายนะเพราะจระเข้นะที่ตัวเองเนี่ยเคยให้อาหารมันนะจราเข้นี่มันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะแต่ว่ามันสัตว์เลือดคานแต่มันก็เหมือนกับมีมีน้ำใจนะรู้บุญคุณนะของคนมันไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่มันสัตว์ที่มีน้ำใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวนะ่คนเรานี่ สิ่งที่เราทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากทั้งสัตว์เดราัชาเนี่ยมันไม่ศูนย์เปล่านะสวันหนึ่งผล น, นั้นเนี่ยผลดีนั้นก็ย้อนกลับมาสู่เราเจะชาหรือเหลวก็แล้วแต่เอาฝากเอาไว้นะชาวนี้เตรียมรับพริีิตั้งปฏิตังตุมพังขอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามวาสามิชาตูจงสำเร็จโดยชากราภะเพรุ เ, พเรนทุสังกปา ขอความดามฤตทั้งพวงจงเต็มที่กันโทปนารโสยตาเหมือนพระจันในวันเพน็ญมณีโชติรโาโสยตาเหมือนแก้มณีอสว่างสวัยควรยินดีสาภีจีโอวิวาชนตุวานจารายทั้งพวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุ เราตั้งขวงของท่านตงหายมาเทพาวตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีจิคายุโกภว า, วาท่านดงเป็นมูมีความสุขมีอายุยืน อาภิวาตนาสิลิสานิจางุตนาปจายโนจัตตารุธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ารการคืออายุวันนสุขังพละยอมเจริญแก่บูคคลทู่ ม, มีปกติไหวกรบปกติอ่อน น, อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพราะวันทุสาวะมางคลัง ขอสาภาพมองคนจองมีแก่ท่านปราันตุสาพาเทวตาภราเทวดาทั้งบนจองรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรม ภาสังฆานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาโสธิภาวันตุเตห ภ, ภาสวัสดีทั้งหลายแก่ท่านทูมื่อเธอิ